อริยสัจสีที่พระเจ้าท่านตัสรู้มานนี่ก็คือเนี่ยเห็นความเป็นจริงของทุกขเนี่ยตามจริงๆของชีวิตคนเรารู้ระดับดับทุกพวกนี้ให้ได้แล้วก็ถึงจะพบความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงมาสอนพวกนี้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยไอ้อออกิเลสเราที่มีอยู่มองอะไรพอเวลามองมุมลบก็จะมองตรงแต่มุมลบพอเวลามามองอะไรมุมบวกก็จะเอาแต่ได้ถ่ายเดียว คือมันไม่สมดุลสักทีเพราะนข่าวนี้น้เนี่ยคุณจะแก้จิตคุณจะปรับจิตคุณจะไม่เกิดการอกหักอกพังอีกต่อไปเนี่ยก็คือหัดมองให้ได้ทั้งสองมุมแม้แต่ตัวเราเองก็ตามนะ้ยังไม่ต้องไปมองคนอื่นก็ได้คุณเริ่มมองจากตัวเองอย่างเช่นอัตมาบอกแล้วเราไปทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณอย่ามองแต่ว่าจะสําเร็จ จะสมหวังบางทีอาจจะไม่สาเร็จก็ได้อาจจะผิดหวังก็ได้หรืออาจจะเจ๊งก็ได้เนี่ยมองมุมนี้เผื่อด้วยคุณหัดมองได้ทั้งสองมุมเนี่ยคุณพร้อมที่จะเจอทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าคุณเข้าใจหลักตรงนี้ได้ไอ้ความที่เราจะไปยึดอะไรมุมเดียวเนี่ยคุณคอยมีสติแล้วคอยเตือน อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้อย่างแม่ครัวเนี่ยทำอาหารทำกับข้าวทำเสร็จถามโดยจริงๆฮะแม่ครัวเนี่ยพอทำมาอาหารเนี่ยเอามาให้คนอื่นกินเขาเนี่ยคิดยังไงโดยปกติอาหารที่ทำมาเนี่ยเออคนกินก็คงจะชอบใจนะมันคงจะหมดนะอ่านี่นี่โดยปกติเลยของของความเคยชินแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วไง ถึงบอกว่าคุณคิดแต่อย่างนี้ไม่ได้คุณคิดบ่มเดียวยังไม่ได้คุณต้องมีสติเอาไว้แล้วเออทําขึ้นมาแล้วแล้วก็ทําเหมือนเดิมเนี่ยแหละแต่พอทําเสร็จออกมาแล้วเนี่ย <medio> คุณต้องพร้อมที่จะคิดว่าเออมันก็อาจจะมีคนไม่ถูกใจไม่ถูกปากหรือคนที่กินไปแล้วอาจจะมาตําหนีมาว่าเราก็ได้ทั้งที่เราก็ตั้งใจทําอย่างดีแล้วเราคิดว่ามันดีเนี่ยแหละแต่คุณต้องคิดอันนี้ด้วยถ้าคุณคิดอันนี้พร้อมไว้ด้วยใช่ไหมคุณเผื่อใจคุณไว้แล้วเวลาคุณเจอจริงๆอ่ มันก็เออมันก็พอทําใจได้เพราะเราเตรียมใจไว้แล้วอันนี้แหละต้องฝึกไว้แต่ส่วนใหญ่เรามาบอกแล้วมันเผลอใจอยู่เรื่อยเลยนี่แหละเนี่ยอัตโนมัติของความเคยชินของกิเลสคนเรามันทำให้คุณไม่ค่อยจะคิดหรอกอีกมุมหนึง่งแต่พอเวลาไปคิดถึงคนอื่นเขาอะ่ะบางบางทีไอ้คนที่เราไม่ชอบไอ้คนที่เราเกียดมันอย่างเงี้ย นะหรืออาหารบางอย่างที่เราเกลียดเราไม่ชอบเนี่ยคุณก็คิดแต่มุมลบมุมลบมุมลบไอ้บุมบวกคุณไม่ค่อยคิดเลยคนเราเนี่ยมันมีนิสัยตรงตงอันเนี้ยอยู่มันก็เลยทำให้ต้องทุกอยู่เรื่อยทุกอยู่เรื่อยทุกเพราะความตงของจิตเราเองนะที่เราเนี่ยชอบไปคิดอะไรทํานองเนี่ยไม่บวกก็ลบไม่ลบก็ไปบวกคือมันมันไม่สมดุลสักทีที่จะทําให้ให้จิตเราเนี่ยเป็นอุปโตภาค เออมันไม่ตรงตรงวันถ้าใครเข้าใจเรื่องสมดุลอันนี้ได้เนี่ยโอ้อัตมาก็พูดไปบ่อยมากเลยแม้แต่บางทีพูดในนักปฏิบัติธรรมเนี่ยสายเจโตก็ตามสายปัญญาก็ตามอัตมาบอกว่าดีที่สุดแล้วคุณต้องสมดุลให้ได้นะต่อให้บางทีเอ่อต่อให้ผู้บรรลุธรรมด้วยที่เราบอกว่ามีสายเจโตวิมุตติหรือสายปัญญาวิมุตติสายที่ตรงตรงเนี่ยนะ ตรงวิบุตไปสายใดายสายหนึ่งนี่นะต่อให้จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าแหมพ้นทุกข์มาได้ใช่ไหมแต่คุณยังตรงตงนะต่อให้คุณพ้นทุกข์ได้คุณก็ยังตรงตงอยู่เพราะในชีวิตจริงๆเดี๋ยวพอคุณไปทําอะไรเนี่ยคุณตรงอะไรมันก็ต้องตรงไปอย่างนั้นสายเจโตก็ยังจะตรงไปแบบเจโตสายปัญญาก็ยังจะตรงไปแบบปัญญานะซึ่งอันนั้นมันยังไม่ได้เป็นความเจริญ หรือเป็นความพ้นทุกข์ที่สูงสุดเพราะสูงสุดแล้วเนี่ยมันต้องอุปโอภาควีมุตอย่างพระเจ้าเนี่ยถือว่ามีทั้งสองส่วนนี้อยู่ในตัวเลยเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยจริงๆต้องคิดหรือว่าต้องทำให้มันสมดุลทุกอย่างทุกเรื่องด้วยที่จริงแล้วคุณถึงจะมัชิ ม, มาหรือคุณจะเดินสู่ทางสายกลางได้พอดี วันทางสายกลางที่แท้จริงเนี่ยทุกอย่างคุณต้องทำให้มันสมดุลให้ได้สมดุลแบบแบบลงตัวให้ได้นะซึ่งมันยากที่สุดนะคนเราเนี่ยบอกก็ต้องระดับผู้เจ้าเจ้านะถึงจะทำให้มันสมดุลได้พอดีที่สุดแต่เราไม่เก่งเนี่ยเราก็พยายามทำให้มันพุยง่ายไอ้ความตรงของเราเนี่ยให้มันขดสั้นลงมาอย่าให้มันไปตรงไกลมาก เพราะฉะนั้นแล้วบางคนนะต่อให้เป็นสายเจโตเวลาเวลาไปแก้ปัญหาแตมาเคยเคยยกตัวอย่างให้พวกเราฟังอยู่บ่อยๆ อ, อย่างเช่นในชีวิตของคนนั้นนะ่ะบางทีอย่างเช่นเดินเร็วทำงานเร็วถ้าคนนั้นนะ่ะสายปัญญาเนี่ยมักคิดไวทำงานไวนะโอ้โหสมองมันปรุงคุณคุณเสียพลังมากไหม คุณจะเสียพลังมากนะพลังแบบแบบแบบใช้ทางปัญญาใช้ทางสมองแล้วก็เคลื่อนเคลื่อนกายไวอะไรพวกนี้คือคือสายปัญญาจะเป็นลักษณะนั้นแล้วในชีวิตคนนั้นนะ่ะถ้าทั้งวันเนี่ยนะทุกอย่างเลยนะไวไหมดเป็นไงตายไปไม่รอดหรอกคุณถ้าไวหมดทุกอย่างมันไม่สมดุลมันเหมือนกับมีกลางวันก็มีกลางคืนอย่างเงี้ยคือมันจะทวงจริงๆแล้วแม่โดยธรรมชาติเนะี่ยมันจะทวงสมดุลของมันเหมือนกันคราวนี้ ถ้าคนนั้นเนี่ยจะไม่เจ็บป่วยคนนั้นเนี่ยจะเอาตัวให้รอดเนี่ยแม้คนนั้นจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่คนนั้นเดี๋ยวมันจะต้องปรับตัวเองให้สมดุลแล้วเพราะว่าคนนั้นเนี่ยกินกะไวทำงานกะไวอะไรกระไวใช่ไมบางทีเดี๋ยวพอเวลาเดินหรือว่าเวลาพักผ่อนเวลาทำอะไรหรือบางบางทีเขียนหนังสืออะไรหรืออะไรพวกนี้คนนั้นจะเริ่มต้องช้าลง เพื่อที่จะทวงดุลไม่อย่างนั้นถ้าไม่ทวงดูลตอนนี้ไว้เดี๋ยวคนนั้นป่วยหรือสายเจโตเงี้ยบางคนทําอะไรสูมติว่าช้านะตั้งมัน่นแข็งแรงแต่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวอ่ะ <c ười> สายเทโตเคลื่อนไหวตัวช้าอ่าถ้าช้าอย่างนี้ทุกอย่างเป็นไงวันหนึ่งวันนึ่งเดี๋ยวก็ขึ้นอืด ช้าอะไรอะไรก็ชาไปหมดเดี๋ยวก็ขึ้นอืดตอนั้นเองเออเพราะนั้นมันไม่สมดุลนะเดี๋ยวก็ต้องเจ็บเดี๋ยวก็ต้องป่วยเดี๋ยวก็ต้องมีปัญหาอหรือเผลอๆนะอืดไปอืดมาก็นู่นไปลงง่วงเหงาหง่อนไปลงที่เกียรติไปลงอะไรนู่นซึ่งเสียแล้วอันนั้นก็เสียแล้วเพราะฉะนั้นน่ะคนที่จะอยู่ได้เนี่ยพอคนนี้อืดๆแล้วนะรู้ว่าไหนบางทีกินช้าพูดก็ช้า แต่อย่างอื่นในชีวิตเขาเขาจะต้องมีเร็วเข้ามาแล้วเข้ามาฉุดแล้วเขาละเพื่อที่จะทวงสมดุลของชีวิตเขาเนี่ยให้ได้ให้ลงตัวถ้าคนนั้นนะ่ะมีอันนี้ลงตัวพอคนนั้นไม่เจ็บป่วยวันนึงวันหนึ่งยังผ่านไปได้ยังผ่านไปได้เหมือนกับของจีนเขาบอกว่ามีหมยินมีหยางใช่ไหมถ้าทําหยินหยางไอ้ร้อนเย็นอะไรของเขาเนี่ยให้ลงตัวได้คนนั้นไม่ป่วยอันนี้ก็เหมือนกันแต่ ไอการจัดแบบตรงๆแบบเนี้่วงกันไว้แบบตรงๆเนี่ยนะโอกาสที่คุณเนี่ยจะแบบว่าถนัดไปทางใดทางหนึง่งแบบตรงๆนะบางทีทํางานเก่งแต่ขึ้นสลาหรือว่าทํากิจวัตรอะไรแทบไม่เอาเลยคุณคุณเริ่มจะไม่สมดุลล้วระบบชีวิตคุณก็จะเริ่มไม่สมดุลแล้วออนเผล อ, เ, อ, เ, อเดี๋ยวบางทีก็ป่วยได้อีกอ่า เพราะฉะนั้นแล้วส่วนสายปัญญาบางทีเนี่ยเอาแต่ฟังทมแม้เอาแต่อะไรอะ่ะกิจวัตรกิจกรรมอะไรต่ออะไรใช่ไหมไอ้ส่วนบางทีแม่ฝึกสงบบ้างฝึกเย็นบ้างฝึกอะไรบ้างไม่ค่อยมีก็ตรงไปอย่างนั้นได้นะแต่เดี๋ยวก็ป่วยได้อีกคือมันมันจะเป็นสมดุลแบบชนิดที่เรียกว่าตรงๆสมดุลแบบตร ง, ตรง อาตมาถึงบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยขณะที่คุณทํางานเรารู้ระหว่างงานนี่เราทําเร็วไปไม่ต้องให้ใครมาบอกก็แต่คุณก็รู้ได้เองว่านี่มันเกินลิมิตแล้วมันเกินนั่นนั่นเราคุณต้องจัดเลยต้องจัดสมดุลเลยเฮ้ยหาท่าหาท่าหาท่ให้ช้าลงให้ช้าลงให้ช้าลงเพื่อที่จะถ่วงให้มันพอดีนั่นเองนะไอ้ที่บอกให้ช้าลงเนี่ยหรือบางคนพูดเร็วเกินไปพูดเร็วมากนะัสายปัญญาเนี่ส่วนใหญ่จะพูดเร็วเพราะว่า ปากมันจะไม่ค่อยทันสมองมันโอ้โหมันจะพังพลูออกมาเพราะฉะนั้นจะพูดเร็วตอนนี้พอเราต้องมีสติต้องรู้ตัวใช่ไหมบอกโอ้ยนี่เราจะตรงๆนะจะตรงๆจะปรุงปรุงมากไปปรุงเยอะไปแล้วปรุงบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวปัญหาที่ตามมาคือคุณหยุดไม่ได้นะเพราะว่าคุณไปเอาแต่ความเคยชินอย่างนี้นี่ใ้่ไมถ้าหยุดก็คือ ปิดเครื่องเลยมันมันชะลอไม่เป็นเนี่ยมันชะลอไม่เป็นมันช้าไม่เป็นเพราะไม่ฝึกเนี่ยมันทําไปตามใจอยากจะทําแต่แตอนนี้เรารู้ว่าโอ้โหเราพูดเร็วเนี่ยหูสมองมันมันปั่นเครื่องเร็วมากเลยวันคราวนี้เรามีสติรู้ตัวเราก็ยพยายามทําสมดุลในการพูดนะพูดพอดีพอเหมาะต่างหากละ่ะมันถึงจะเป็นความดีเป็นความพิเศษที่สุด จังหวะจากโคนขนาดนี้ขนาดนี้กําลังดีคะคนนี้ก็พยายามปรับสภาพเพราะจริงๆทุกเรื่องที่เรารู้ว่าเราตรงอะไรคุณต้องปรับให้มันพอดีใ ห, ให้ได้ทุกเรื่องนั่นแหละคุณพยายามปรับอย่างเงี้ยแล้วคุณจะได้มัชชิมาที่มันมันเป็นอุปโตภาคเนี่ยได้ดีที่สุดแล้วข่าวนี้แค่เรื่องคนเนี่ยที่คุณจะมาผิดหวังเพ่อคนนั้นคนนี้อาตมาประ รับประกันกับคุณเลยว่าคุณจะไม่มาผิดหวังใครอะไรที่ไหนอีกเลยเพราะอะไรเพราะวงจรสมองวงจรความคิดคุณแต่ละวันคุณปรับทุกอย่างพยายามให้มันมีสองส่วนนีงคราวนี้คุณไปเจอใครหน้าไหนหนาาอินหน้าพรามหน้าพรมหมอะไรที่ไหนก็ตามแต่มันทันทีเลยมันอัตโนมัติเลยมันจะคิดทั้งสองด้านเ่าไว้อยู่เพื่อไว้อยู่เสมอ เันใครจะมาทําให้คุณผิดหวังใครจะมาทําให้คุณเสียใจยากใช่ <c oughs> ยากแล้วข่าวนี้รับรองได้เลยเพราะเราเตรียมใจไว้แล้วนี่ใช่มหมแล้วยิ่งคุณฝึกบ่อยๆคุณฝึกชนานาญโอ้ไม่มีทางเท่าแลเล่นเรายากมากเลยเพราะฉะนั้นฝึกฝึกอันเนี้ยฝึกพยาเมื่อติรู้ตัวแล้วฝึกบ่อยบ่อฝึกบ่อยๆเข้าไหนคุณรู้มาเลยโอ้โหพลาดอีกแล้วพลาดอีกแล้ว นะบางทีไปคิดเพ่งโทษเขาแล้วเนี่ยกำลังคิดเพ่งโทษเขาอยู่นะคิดแต่มุมลบกับเขาไงโอ้โหตายแล้ะตายละ้ยล ะ, ล ะ, ละนี่ไปละตงไปละนะพอเวลาคําว่าคิดมุมลบหรือว่าคิดแต่เพ่งโทษนี่คือพอคนเนี้เรื่องนี้เราคิดแต่มุมเสียเขาอย่างเดียวอะมุมดีเขานี่เรากวาดทิ้งไปไหนหมดเลยไม่รู้วันคราวนี้พอมีสติรู้ตัวตายแล้ะตายล ะ, ยล ะ, ยละเอเอเขามีดีอะไรบ้างเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยมุมนี้ พยายามคิดขึ้นมาแล้วมันจะมาถ่วงดุลใช่ไหมมันทําให้คราวนี้คุณจะเกลียดเขาคุณจะเกลียดมากไหมไม่มากอะ่ะเพราะว่ามันเราเห็นมุมดีเข้ามาด้วยแต่ถ้าคุณคิดแต่เพ่งโทษคุณคิดแต่มุมลบรับรองคุณยิ่งคิดได้เหตุผลเยอะเท่าไหร่คุณยิ่งเกลียดมากเท่านั้นแล้วคราวนี้โธ่เอ้ยอย่าว่าแต่มองหน้าเลยใครมาพูดชื่อให้ได้ยินยังยังจะเกลียดเลยแค่นั้นนะ น, นะ คุณคิดดูเอาก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทันไหมแหละคุณจับจิตทันไหมหรือข่าวนี้ต่อให้คนที่คุณรักเคารพก็ตามต่อให้คนที่คุณรักเคารพก็ตามคุณก็จะคิดแต่มุมบวกมุมเดียวอะ่ะมาบอกแล้วคุณไม่เผื่อใจไว้บ้างแล้วว่าเออคนที่เรารักเคารพเอาบางทีอ่ะก็ขนาดภาษาดีบุตรแต่คุณคิดดูสิใช่ไหมโอ้โหบางทียัง อะไรนะไม่ค่อยสํารวมมือเท้าอะไรเท่าไหร่เลยบางทีไปโดนคนน้้นมันไปโดนคนนี้บ้างอะ่ะยังมีเลยอะ่ะใช่ไหมเพราะเราเราจะเผื่อใจไว้เลยว่าอ้าวอันนี้มันเป็นท่านไม่ได้ไปมีกี่เลรนี่อันนี้มันเป็นเรื่องที่อะไรอะ่ะบารมีของท่านน่ะท่านสะสมมามันไอ้ด้านนี้มันน้อยกิริยาอาการก็เลยยังไม่ค่อยสํารวมมันก็เลยมีผลทาให้ท่านเป็นอย่างนี้ อ่ะเนี่ยเนยเราคิดมุมเผื่อพวกนี้ไว้ด้วยไม่ใช่พอคิดมุมดีกับใครเนี่ยโอ้โหท่านต้องสุบภาพท่านต้องพูดไพเราะท่านต้องใจเย็นท่านต้องมีน้ำใจท่านจะต้องไม่ขัดใจใครโอ้โหกุณคิดแต่แง่นี้รับรองเดี๋ยวผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวต้องเจอรับรองบางคนนี่ยนะเคยมาพูดกับอาตมาเองก็มี คือเขาลึกไม่ถึงนะบางทีบางครั้งเขามาพูดกับอาตมาเสร็จอาตมาพูดไปเล่นๆไปกับเขาอ่ะคือคือเขามาแต่อาตมาเนี่ยเ้านึกแต่ว่าอาตมานี่แหมมันพูดอะไรเป็นการเป็นงานพูดอะไรเป็นวิชาการพูดอะไรเป็นผู้ใหญ่พูดอะไรเป็นจริงเป็นจัง <S <S พอวันนั้นแหมเรากําลังอารมณ์ดีอะมาจังบะเหมาะเราก็พูดเล่นๆพูดเหมือนกับพูดเล่นๆกับเด็กเงี้ยเนีโอ้โหก็ทนไม่ได้เลยอ่ะ เขารับไม่ได้เลยอาตมาจะบอกโอ้คุณตายแล้วแหมคุณนึกว่าอาตมานี่มีอารมณ์เดียวเลยนะฮ่า <c oughs> <c oughs> คนเราอะ่ะบางทีมันก็มีอารมณ์อื่นบางทีมันเออมันนึกเบิกบานถูกขนาดอะไรก็มีนะบางทีก็แซวเล่นบางล้อเล่นมันก็มีบางทีแหมเจอกันจะวางมา้ขึ้นมันก็ม <c oughs> ีจะทําไมอะ่ะเออคุณจะไปอะไรอะ่ะแต่อาตมาไม่จะมีมกิเลสอะไรกับคุณนะแต่ว่าเอ้า อันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นไปได้อเอพราะผู้เจ้าบางทีโอ้โหไล่คนอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ศึกษามาคุณจะไปนึกเหรือผู้เจ้ามาเหมือนกับมาตวาดว่าพิกษุไล่พิกสุให้ไปเลยอย่างเงี้ยบอกมาส่งเสียงดังเหมือนกับคนหาปลาไปให้ไปที่อื่นเลยไล่เข้าป่าไปเลยโอ้โหคุณจะคิดหรือโอ้โหผู้เจ้าจะทำอย่างนี้หรอไม่เมตตาเลยสิอย่างนี้อันเนี้ย คือบางทีคนเราเนี่ยมันมันเผย อ, อย่างนี้อยู่เรื่อยๆวันวันนี้นะอาตมาฝากอันนี้ให้คุณแล้วคุณไปหัดปรับทุกเรื่องของคุณเนี่ยที่มีอยู่คุณหัดปรับสมดุลอั่นเนี่ยแล้วคุณเข้าใจให้ได้ว่านี่แหละคือทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาจริงเนะี่ยทุกเรื่องคุณต้องทําให้ได้ไม่ใช่แบบจัดสมดุลแบบตรงๆอย่างที่อาตมาบอกอ้อเราเป็นคนทํางานไวเราเสียพลังมาก เพราะฉะนั้นเราต้องนอนเยอะๆมาถ่วงมาถ่วงดุลแม่เอา้าบางทีไม่ใช่อะ่ะนอนก็ควรนอนให้พอดีใช่ไหมทำงานก็ควรทำงานให้พอดีไม่ใช่ทำตรงๆจนกระทั่งคุณเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรวั้ทุกเรื่องจริงๆแล้วความพอดีถือว่าเป็นยอดถือว่าเป็นมัชชิมาวั้ทุกเรื่องนะบางคนเดินช้าไปจะมาเคยพูดให้ฟังเออเรารู้แล้วเราเดินช้าไป แหมเดินทอดคุยเขาเรียกนะเดินทอดน่องอะไรอย่างนี้นะแหมค่อยๆ ย, ยุ่ยละเยี่ยงอย่างกายหู้โนะกรีดกายมากๆระวังออตีพภาวะมากเข้าไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆเนี่ยเราเองถ้าเราเข้าใจสภาวะพวกนี้ได้คราวนี้นะสํารวจตัวเองถ้าคุณสํารวจตัวเองนะตั้แต่เช้าจนถึงก่อนนอนเนี่ยอะไรบ้างที่เราตรงตรง ทุกวันที่กินข้าวเร็วเกินไปไหมเออกินไวเกินไปเคี้ยวกับหูเคี้ยวไวเกินไปหัดมีสติบอกตัวเองว่าเอ้ยเราควรจะเคี้ยวให้ช้าลงบ้างไม่ต้องกลัวหรอกคนที่ติดเคี้ยวเร็วมาเนี่ยนะบางทีกลัวว่าเอ๊ยเคี้ยวอย่างนี้มันจะช้าเกินไปหรือเปล่าคุณยังไม่ต้องไปห่วงอนะ่ะคุณหัดช้าให้ได้เถอะคุณช้าไว้เนี่ยนะมันกลับจะกลายเป็นพอดีนะรับรอง นิสัยเราเคยชินมามันจะเร็วอยู่เรื่อยแหละให้ไปช้าเนี่ยบางทีช้าได้วันสองวันท่านั้นแหละเดี๋ยวพอพ้นบันสองวันมาแล้วเอาแล้วกลับสู่สภาพเดิมอีกแล้วไม่ง่ายหรอกคุณเพราะมันมันมันคุ้นมาเป็นบางทีเป็นหลายๆปีอ่ะเอ่นิสัยเร็วเร็วเนี่ยวันคราวนี้ไปดูเลยนะบางคนเดินก็ตามเนี่ยอิริยาบทเราเดินโอ้ยเดินเร็วมากหัดหัดหัดเออลองหัดสํารวมที่ หัดเดินให้ช้าลงหรือบางคนก็อารมณ์เย็นเหลือเกินนะทาอะไรก็บันนี่บั่นจงเหลือเกินนะสุขุมมากเกินไปสุขุมรอบคอบมากเกินไปนะมันชักจะอืดอย่างเงี้ยอ้าวต้องรู้ไอ้นี่มันมันชักจะเฉยแล้วมันไม่ใช่สุขุมอะไรหรอกมันชักจะเอื่อยเฉยแล้วรู้ตัวก็เออจริงมันช้าเกินไปแล้วหัดเร่งสปีดขึ้นมา ทำให้ไวขึ้นผื่นใจเราแล้วคอยเตือนสติทําให้ไวขึ้นทําให้ไวขึ้นอัตมาเนี่ยแต่ก่อนเขียนหนังสือไวไวจนทั้งเขียนไม่ค่อยเป็นตัวหรอกถึงถึงเขียนไม่ค่อยสวยหนังสือเขียนไม่สวยเพราะว่ามันมันไม่ทันไม่ทันสมองเราไม่ทันใจเราคือบางทีความคิดมันก็รังแรนเนี่มาเคยจริงๆริงนะเคยรู้สึกสมัยเป็นนักศึกษาอยู่ตอนเรียนอยู่ เคยรู้สึกแหมทาไมมันทําไมอยากจะมีอะไรที่ที่พูดแล้วก็ให้มันออกมาเป็นตัวหนังสือเลยอะคือไม่ต้องเขียนเพราะว่ารู้สึกมือมันมันเก่งไม่หมดเลยนะเพราะเรารี่บมือมันเก่งไม่หมดเลยจนด้านหลังเนี่ยต้องพยายามตะมือนะตีมือแล้วก็บอกมันช้าลงช้าลงพยายามสั่งมันพยายามบังคับมันให้มันช้าลงโอ้มันถึงจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆปรับสภาพลงมา ต่นี้โดยเฉพาะคราวนี้ความคิดของเรานาสุดท้ายจะฝากตรงนี้เรื่องของความคิดหรือพูดทั่วๆไปก็เรื่องของจิตใจจิตใจคนเราเนี่ยมันชอบคิดอะไรเนี่ยไวสรุปอ่ะชอบคิดแบบสรุปไอ้อันเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เวลาเราสรุปเนี่ยนะเรามากักจะสรุปไปตามใจเราไงสรุปดีก็ไปเลยมุมดีสรุปไม่ดีก็ไปมุมไม่ดี เพราะะันเราสรุปตัดสินคนเนี่ยหรือตัดสินตัวเราเองก็ตามบางทีสรุปไวเกินไปเพราะะัห้หาทางให้รอบคอบขึ้นอ่คิดมุมดีมาแล้วลองคิดมุมเสียบางทีเอามาทั้งสองส่วนซีพิจารณาดูแล้วค่อยสรุปว่าเอออย่างนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าคิดแบบสรุปแบบมุมเดียวเตือนอันนี้ยากนะอันนี้ยากที่สุดเลยเพราะว่าใจเรานี่มันยากที่สุดแล้ะ แต่นี้ไม่พ้นว่าเราจะต้องพยายามเตือนสติบ่อยๆทําความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็รีบปรับรีบแก้รี บ, รบปรับรีบแก้บางทีมันเผลอใจไปแล้วนะโอ้โหคิดไปตั้งไกลแล้วคุณรู้ตัวเมื่อไหร่ปับ๊บรีบเลยรีบเฮ้ยเอาอีกล้นี่คิดอย่างนี้อีกแล้วรีบเลยรีบหาเหตุผลมุมอื่นมาเพราะใครฝึกอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยคนนั้นจะชํานาญในการคิดได้ทั้งสองมุมได้ทั้งสองมุมทั้งสองมุม คนที่ชํานาญในการคิดทั้งสองมุมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจมาบอกคุณได้เลยจะไปทํางานจะไปคบหากับใครนะจะทําให้คนผิดหวังเสียใจก็น้อยหรือใครจะมาทําให้เราผิดหวังเสียใจก็ได้น้อยอันนี้ตามขีดความสามารถคุณนะคุณยิ่งฝึกได้มากคุณยิ่งเข้าใจทั้งทุกเข้าใจทั้งสุขได้ชัดเจนมากขึ้น น้คนที่เข้าใจอย่างยี้ได้แล้วก็พยายามฝึกปฏิบัติทุกวันทุกวันได้คนนั้นจะชํานาญในการที่อะไรอ่ะรู้โลกอ่ะรู้โลกทั้งสองมุมทั้งสองด้านแล้วคุณจะไม่กลัวสุขคุณจะไม่กลัวทุกข์เพราะคุณรู้ว่ามันมันมีโอกาสเกิดได้ทั้งสองด้านคุณถึงไม่กลัวไอ้คนที่กลัวๆเนี่ยนะพอคิดจะเอาสุขเอาสุขเอาสุขมันก็กลัวจะทุกข์อ่า ส่วไอ้คนกลัวทุกเนี่ยกลัวทุกกลัวทุกกลัวทุกมันก็จะเอาแต่สุขอ่าเพราะเราเราบอกแล้วเราเข้าใจทั้งสองด้านแล้วเรารู้ตามความเป็นจริงว่าคนเราจริงๆส่วนใหญ่จะทุกข์โดยซ้ําไปเพราะนั้นเมื่อเมื่อเรายอมรับอันนี้แล้วเราเข้าใจอันนี้ได้มันทําให้เราไม่กลัวทุกเมื่อไม่กลัวทุกอย่างเนี้ยอู้คุณยิ่งสบายเลยคนนี้สังเกตตัวเราเองแม่ถ้าบางทีเนี่ยวันไหนคุณหิวข้าวเนี่ยนะ แล้วคุณกลัวนะคือคุณกลัวว่าโอ้โหเดี๋ยวจะหมดเดี๋ยวจะไม่มีกินเดี๋ยวมาต่อสมมุติว่าตามระบบเราเนี่ยสมมุติว่าแบบสายพานอย่างเงี้ยนะก็ค่อยส่งมาเงี้ยโอ้โหกูจะกลัวเลยนะโอ้โหตายแล้ววันี้มาชา้าบนั่งท้ายแถวเดี๋ยวไม่มีอะไรกินแน่เลยแค่ตั้งแต่ตอนที่คุณกลัวนะ่ะคุณทุกข์จะแย่อยู่แล้วแต่ทั้งที่ความเป็นจริงยังไม่รู้เลยนะว่าว่ามันจะมีหรือมันไม่มีนะ แต่แค่ความคิดเราเนี่ยมันมันกลัวไปล่วงหน้าแล้วแค่คุณกลัวล่วงหน้านี่แหละเพราะว่าคุณคิดแต่มุมว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีเดี๋ยวมันจะไม่มีเนี่ยนะแค่คุณคิดแต่มุมเนี่ยคุณก็วางใจไม่ได้แล้วละ่ะเพราะฉะนั้นคนที่คิดมุมเดียวเนี่ยวางใจอะไรไม่ได้คนที่ต้องคิดให้ได้ทั้งสองมุมถึงจะวางใจได้คุณจําไว้เลยตรงเนี้ยคนที่ฉลาดมากขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นแล้วคิดได้ทั้งสองมุมนั่นแหละ คุณจะเป็นคนวางใจได้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็จะทำให้สภาวะอารมณ์แล้วก็จิตใจของเราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆอ่านะอ้าวอันนี้อตาตมาก็ตอบคำถามซึ่งตรงนี้มีอันนึงที่บอกว่าจิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นเนี่ยเพราะเราไม่แข็งแรงใช่ไหมใช่แน่นอนอยู่แล้ว ก็พอไปหวงังไปฝากไปอะไรกับใครอื่นนันมาบอกแน่นอนจิตอ่อนแอแน่นอนเพราะฉะนั้นจิตของคนที่จะเข้มแข็งเนี่ยคือจิตของคนที่คิดทั้งสองมุมแบบเนี้ยได้เก่งขึ้นมุมดีเราก็รู้มุมชั่วเราก็รู้แต่เราไม่เอาชั่วนะเราเอาดีนะแต่รู้โลกอะ่ะรู้แจ้งโลกอะ่ะว่าโลกมันมีทั้งสองมุมนี้นะคราวนี้ เราไม่ได้ไปฝากความหวังอะไรไว้กับใครไม่เห็นต้องฝากเลยหรือถ้าจะหวังก็บอกแล้วมันก็จะหวังแบบที่ไม่ต้องหวังอะไรก็ได้แล้วคนนี้จะไม่ต้องผิดหวังอะไรเลยหวังแบบไม่หวังนั่นเราจะเข้าถึงความหวังแบบไม่หวังสำนวนนี้แม่มันยากจริงๆหวังแบบไม่หวังคุณเข้าใจชัดเจนได้เมื่อไหร่คุณก็จะไม่มีวันผิดหวัง อ่นะอ้าวอันนี้ก็พูดให้ฟังแล้วก็วิธีแก้ก็บอกแล้วต้องฝึกให้ได้ในชีวิตประจําวันนะถึงจะแก้ได้อาตมายืนยันกับคุณนะอาตมาเนี่ยตรงตงมาแล้วอาตมานี่เป็นสายตรงตงมาอาตมาเพียงแต่โชคดีตั้งแต่เคยพูดให้พวกเราฟังว่าตั้งแต่เห็นโยมพ่อโยมแม่อาตมามาเองเนี่ยคือโยมโยมพ่ออาตมาเนี่ยสายแบบ แรงๆนะสายแบบเข้มข้นไม่พูดมากแต่มือหนักนะสายโยมพ่อเนี่ยสายโยมแม่นี่ไม่ตีไม่รุนแรงนะสายแบบเมตตาสายแบบอะไรอะใจดีไม่รู้จะทำยังไงก็ร้องไห <c ười> ้คือจะมาโชคดีอยู่อย่างตรงเนี่ย เออพ่อก็อย่างนึงแม่ก็อย่างนึงคือเราก็ได้เห็นมาทั้งทั้งสองส่วนอ่าแลมันก็เลยเห็นทั้งบุมดีก็เห็นทั้งบุมเสียคือทั้ง2ส่วนเนี้ยมีทั้งบุมดีมีทั้งบุมเสียนะอ่าน้าเนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กมาเราได้เจออย่างนี้ละเสร็จแล้วก็นี้เอาละพอบางทีเนี้ยเราไปเรียนหนังสือทั้งหาเจอครูบาอาจาร เราก็จะเห็นอีกเนี่ยถ้าถ้าถ้าเราเป็นคนที่เอบางทีอะไรอ่ะจะเรียกว่าสังเกตนิสัยคนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ เ, เราก็จะเห็นว่าเอ้ยเราก็เจอทั้งสองอย่างอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยอ่ะเพียงแต่ว่าครูคนไหนจะตรงแบบไหนเท่านั้นเองอ่า น, น, น, นะนะครูบาอาจารย์นะเขานี้ไล่มาถึงเพื่องเราก็จะเห็นอีกอ่ะก็เพื่อนเราก็จะมีอย่างยี่อีกเหมือนกันน่าจะมีทั้งสองประเภทให้เราได้เห็น ซึ่งอันเนี้ยเราเราอาตมาว่ามันอาจจะเป็นบุญเก่าก็ได้นะมันทําให้ไม่รู้นะอาตมาเป็นคนดูหนังก็ตามอะไรก็ตามมาเนี่ยพอดูดูแล้วเนี่ยมันชอบอ ม, มาคิดแท้เรื่องพวกเนี้ย ม, มาคิดเรื่องจริตคนเรื่องนิสัยคนเอ๊ะทำไมมันอย่างนั้นล่ะเอ๊ะทาไมมันอย่างนี้ล่ะคือชอบม า, มาคิดอาตมาเนี่ยจริงๆประสบการณ์จริงๆของชีวิตจริงๆเนี่ยน้อยไม่มากหรอกประสบการณ์ดูหนังมาก จริงจงแต่อราจมาดูหนังแบบจริงจังไงดูแบบเอาจริงเอาจังดูเหมือนกับว่าเราไปอยู่ในในตู้ทีวีด้วยนะไปอยู่ใกล้ๆเขาเลยนะเขาแสดงกันเราก็ดูโอ้โหเราก็คิดพิจารณาไปถึงไอ้สภาพอารมณ์ถึงสภาพจิตใจเขาไปเลยนะ <c oughs> อย่างงั้นเลยมันก็เลยเหมือนกับว่าเราเราพออยู่ในเหตุการณ์เราพออยู่ในอารมณ์นั่นๆไปด้วย แต่ว่าเราอยู่แบบรู้ตัวนะแม้ไม่ใช่ไปคิดเป็นพระเอกไปคิดเป็นนางเอกไปคิดเป็นอะไรนะไม่ใช่นะแต่ว่ามันมีเหมือนกันว่าเราเดี๋ยวเราอยากจะเข้าข้างพระเอกอยากจะเข้าข้างพวกคนดีอะไรเงี้ยออ้อย่างนี้ไอ้ตัวเข้าข้างนี่มันมีอยู่แต่ไม่ได้ไปคิดแต่ว่าเราเป็นตัวไหนอะไรไม่ได้ไปคิดอ่ะหมายถึงว่าส่วนใหญ่นะแต่ก่อนนั้นแต่บางทีอยากเป็นแบบพระเอกไหมเอออยากเป็นที่มันเก่งอ่ะเราก็อยากจะเป็นเออ แต่ว่าไอ้ตอนดูอยู่เนี่ยเราไม่ยาคิดว่าเราเป็นนะไอ้ตอนดูอยู่เนี่ยเราคิดไปตามเนื้อเรื่องของหนังจะคิดไปตามเนื้อเรื่องของหนังอันมันไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไปไปผู้กำกับไปคิดเองเหรอกนะไม่เหมือนกับบางคนนะ่ะดูทีวีไปดูไปกำกับเองใหญ่เลยนะดูไปก็เป็นผู้กำกับไปใหญ่เลยโอ้อยากกำกับนะก็ไปสร้างเองเนี่ยอันนั้นไม่ใช่อันนี้เราดูไปตามเนื้อหนังว่าเอา้า ติวพระเอกมันจิตแปรปวนอย่างนี้เอาก็ต้องแปรปวนไปตามเนื้อหนังหนึ่งใช่ไหมเราก็ดูไปตามสภาวะของไอพ้พระเอกเอาตอนนี้มันแปรปวนเพราะอย่างนี้ น, นี่เราก็เรียนรู้เราก็เข้าใจไปเพียงแต่ว่าเราเองบอกโอ้โหถ้าเราไปเจอเหตุการณ์นี้สถานการณ์นี้อุ้ยเราจะแปรปวนอย่างไอ้พระเอกนี่หรือเปล่าวะไอ้อันเนี้ยเราอาจจะคิดเราอาจจะพิจารณาอันเนี้ยทาให้อัตมารู้สึกว่าเออมันทําให้เรารู้สึกเราเรา ค่อนข้างจะเข้าใจเรื่องสภาวะจิตใจเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกได้มากขึ้นเพราะเราเราเร า, เราดูหนังแบบพิจารณาแล้วไม่ไปกลัวไปเกลกียนหรอกไอ้ผู้ร้ายมันจะอย่างนั้นอย่างงี้อ้าวก็มันเป็นผู้ร้ายอ่ะไปให้มันเป็นพระเอกไดงไงอ่ามันเป็นผู้ล้ายมันคิดไม่ดีมันก็ต้องถูกต้องแล้วทีมันก็มันก็ต้องมันก็ต้องคิดไม่ดีสิไม่ไปเสียเวลารุ่นนอะ จริงๆไม่ไปเสียเวลารุ น, นเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอ้าวกับผู้ลายมัต้องอย่างนี้สิแต่ว่าเออบางทีผู้ร้ายเนี่ยมันกลับใจเราก็เออดีใจด้วย <laughs> ที่กลับใจซะแต่ไอพระเอกบางทีดีๆมาแล้วก็มาเลวร้ายอยู่ยเราโอ้โหเสียดายเหมือนกันนะมันไม่น่าไปเลวร้ายอย่างนั้นนี่เนี่ยพอเราเข้าใจเรื่องสภาวะเรื่องอารมณ์จิตอย่างเนี้ยพอเรารู้เนี่ยมันจะย้อนกลับมาคอยตรวจหรือว่าคอยมาดูอารมณ์จิตเราเองเพราะนั้น ทำไมเขาถึงชอบพูดว่าดูหนังดูละครแล้วย้อนมาดูตัวเราเองแล้วมันถึงเกิดคำนี้ทั้งนั้นที่ความเป็นจริงเนี่ยคุณดูหนังดูละครเนี่ยแต่ให้ดูจิตคุณเองไม่ต้องไปดูหรอกไ อ, ไอ้ไอ้ไอ้ตัวละครแต่ให้ดูจิตเราเองว่าจิตเราตอนนี้คิดอะไรกับพระเอกกับผู้ล้ายกับอะไรต่างๆถ้าใครจับอย่างนี้ได้ถึงจะปรับผิดตัวเองได้ถูกต้อง ถ้าคุณจับจิตของคุณเองยังไม่ได้เลยจับไม่ชัดเจนจับไม่ถูกต้องแล้วคุณจะปรับแก้จิตของคุณให้มันดีได้ยังไงให้มันถูกต้องได้ยังไงเพราะมันก็แก้ไปตามที่คุณคิดเอาอ่ะใช่ไหมคุณคิดว่าเป็นอย่างนี้คุณก็ต้องแก้ไปตามที่คุณคิดอย่างนี้เพราะฉใครที่ยิ่งจับอารมณ์จิตตัวเองได้ถูกต้องชัดเจนไม่หลอกตัวเองไม่โกหกตัวเองไม่เข้าข้างตัวเองได้มากที่สุดเท่าไหร่คุณจะยิ่งแก้จิตตัวเองได้มากเท่านั้น แล้วก็โอกาสที่เราเนี่ยะจะล้างทุกออกจา ก, กจิตเราล้างกิเลสออกจา ก, กจิตเราก็จะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดทุกของเราก็จะหมดสิ้นไปได้ในที่สุดนะอวันนี้คงฝากไว้แค่นี้เมื่งนะ